ทีนี้ฉันทะนี่จริงๆแล้วมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันคือพอใจในการสแสวงหาอย่างหนึ่งนะฉันทะเป็นชื่อของตันหานะตันหาพอใจในการสแสวงหาตันหาพอใจในการได้ตันหาพอใจในการบริโภคความพอใจในการสังสมและก็พอใจในการสละห้าอย่างนะตั้งแต่หนึ่งได้หาสองได้สามบริโภค 4, สี่สังสมหสละ ทนในห้าประการนั้นบอกว่าความพอใจในการแสวงหาเนี่ยเป็นฉไหนก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบใจมีความต้องการเกิดความพอใจย่อมแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโภตพะนี้เรียกว่าความพอใจในการแสวงหาส่วนความพอใจในการได้เป็นฉไหนะก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบใจมีความต้องการ เกิดความพอใจย่อมได้ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโภทพะนี่เรียกว่าความพอใจในการได้นนะพอสแสวงหาบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นี้ไปหาคนที่ได้เลยนะส่วนความพอใจในการบริโภคเป็นไงก็ ค, คือบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบใจมีความต้องการเกิดความพอใจย่อมบริโภครูปเสียงกลิ่นรสโภทพะที่ได้มาแล้วนะพอได้มาแล้วก็บริโภคตอนแรกก็สแสวงหาก่อนสองก็ได้สามก็เมื่อได้แล้วก็บริโภค ทีนี้สังสมถามว่าความพอใจในการสั่งสมเนี่ยเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้มีความต้องการเกิดความพอใจทำการสั่งสมทรัพย์ด้วยความหวังว่าจะมีประโยชน์ในคราวเกิดอันตรายทั้งหลายนี่เรียกว่าพอใจในการสั่งสมถามว่าเอาเงินไปฝากธนาคารเพื่ออะไรเั่ยนะไปน่สังสมเพื่ออะไรน่นะก็สั่งสมขึ้นน่นะ ความพอใจในการสละเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบใจมีความต้องการเกิดความพอใจสละทรัพย์เพื่อพลช่างสละทรัพย์เพื่อพลมาพลรถพลธนูพลเดินเท้าด้วยหวังว่าผู้นี้จะรักษาคุ้มครองป้องกันเราของเราก็สละให้อะไรบ้างสละให้ยามบ้างสละให้คนโน้นสละให้คนนี้นะคือสละให้แกพวกที่ที่อะไรที่ปกปักรักษาเราถ้าส่วนใหญ่นะสละให้คนงานข้าทาสกรรมกรทั้งหลายนี่แหละ เรียกว่าพอใจในการสละนะจ่ายเงินเดือนนะนีมันก็เหมือนกับการตั้งบริษัทนะนะผู้ที่ตั้งบริษัทก็คือสแสวงหาพอสแสวงหาก็ได้พอได้ก็บริโภคใช้สอยก็สังสมแล้วก็เอามาสละมาแบ่งเป็นต้นคําว่าสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลายก็มีสองอย่างนะคือสัตว์กับสังขารสิ่งที่รักทั้งหลายในโลกเนี่ยมีฉันทะคือตัณหานี่แหละเป็นนิทาน คือสิ่งเป็นที่รักทั้งหลายมีฉันท่าเป็นนิทานมีฉันท่าเป็นสมุทัยมีฉันท่าเป็นชาติมีฉันท่าเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสิ่งที่รักทั้งหลายในโลกมีฉันท่เป็นนิทานสมมุติถาอย่างสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยก็เกิดจากความพ่อใจใช่ไหมถ้าไม่พอใจมันจะน่ารักไหมสิ่งนั้นอนะ่ะก็ไม่น่ารักหรอกนี่ยนะนะถามโยมที่มาที่นี่บอกเนี่ยให้ยกแผ่นดินให้ร้อยไร่เอาไหมต้องมาดูแลเองนะ ก็บอกไม่เอาะั้นแต่ถ้าจะเอาอ่ะถ้าสมมตินะให้สองคนเนี่ยมันจะเริดตทะเลาะ ก, กันได้ไั้นไอรักความรักเนี่ยพอใจน่าอรเรียกว่าสำคัญมากนะไอความพอใจตันหาตัวนี้ <c oughs> และชนเหล่าใดนเนี่ยนะที่ท่องเที่ยวไปในโลกก็คือพวกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคือหัสถ์บรรพชิตเทวดามนุษย์นเนี่ยนะที่เที่ยวไปเพราะความโลภอ่ะ คือความโลภกิริยาที่โลภความเป็นผู้โลภความกำหนัดนักกิริยาที่กำหนัดนักความเป็นผู้กำหนัดนักอภิชาโลภะอกุศลมูล ท, ที่เที่ยวไปในอิริยาบทสีในอบายโลกเป็นต้นเนี่ยนะที่เรียกว่าเที่ยวไปในโลกอันหนึ่งความหวังและความสําเร็จหวังก็มีฉันท่เป็นนิทานที่หวังก็หวังด้วยตัณหานะเพราะตัณหาแหละทําให้หวังที่สําเร็จความหวังก็น่จาจักตัณหาอีกนั่นแหละอันตัณหาจึงเรียกว่าความหวังเนี่ยนะ ราคะความกำหนัดความกำหนัดกล้าเป็นต้นทีนี้คาว่าความสำเร็จหวังสำเร็จหวังก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อสแสวงหารูปก็ได้รูปเป็นผู้สำเร็จหวังในรูปเห็นมเมื่อได้สแสวเมื่อสแสวงหาเสียงกลิ่นรสโพธภะเนี่ยนะเมื่อสแสวงหาโพธภะก็ได้โพธพภะเป็นผู้สำเร็จหวังในโพธภะ สแสวงหาสกุลคณะอาวาสแสวงหาลาบยศสรรเสริญสุขสแสวงหาจีวณบินธบาเศเสนาสนะขีลานะปัจจัยเพสัตว์บริขารหรือแม้กระทั่งสแสวงหาเพื่อทรงจำพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมแสวงหาที่จะรักษาทุดงเนี่ยนะสแสวงหารูปประจานทสีอรูปประจานทสนะเรียกว่าเป็นผู้สำเร็จหวังในรูปประจานทสี่อรูปประจานทสี่ ก็เหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสว่าบุคคลย่อมไถนาด้วยความหวังหวานพืชด้วยความหวังพ่อค้าหาทรัพย์ไปสู่สมุดด้วยความหวังเราตั้งอยู่อยู่ด้วยความหวังอันใดความหวังอันนั้นย่อมสําเร็จนะเนนก็เรียกว่าความสําเร็จหวังอันะหก็ไถนาก็ไถด้วยความหวังอันไหขับรถไปขายของก็ไปด้วยความหวังถ้าจะไปเที่ยวก็ไปด้วยความหวังอันไหาทรัพย์ค้าขายก็ทําด้วยความหวัง เนี่ยนะไปลงสมุทรทั้งหลายก็ไปด้วยความหวังเอาเถอะสัตว์ทั้งหลายที่นั่งที่ยืนที่เดินที่เกิดการขยับตัวทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความหวังทั้งนั้นเนี่ยนะแต่จะหวังอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ทุกคนเนี่ยทาด้วยความหวังเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเมื่อผิดหวังก็ยังหวังอีกว่าจะสมหวังไงเมื่อผิดหวังก็ยังหวังอีกนะหวังเพื่อความสมหวังต่อไปเั้น ความสำเร็จแห่งความหวังะบางพวกก็หวังแล้วก็สำเร็จนะว่าความหวังและความสาเร็จก็มีฉันทะนี่แหละเป็นนิทานนะความหวังและความสำเร็จ น, นี้มีนิฉันทะเป็นนิทา น, นามสมุทัยชาติแดนเกิดเพราะฉะนั้นสรุปว่าความหวังและความสำเร็จมีฉันทะคือตัณหานี่แหละเป็นนิทาน bizarre. คำว่าที่มีแก่นอรชนเพื่อโลกหน้าความว่า ความหวังและความสำเร็จหวังที่เป็นเบื้องหน้าเป็นเกาะเป็นที่ป้องกันเป็นที่แอบแฝงเป็นที่ระลึกของนรชนคือนรชนเป็นผู้มีความสำเร็จหวังเป็นเบื้องหน้าสรุปคำตอบอคาตอบที่พระพุทธเจ้าตอบก็คือคาถานี้ว่าสิ่งที่รักทั้งหลายในโลกมีฉันทาเป็นเหตุเหือนกนนรชนเหล่าใดเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของนรชนเหล่านั้นก็มี ฉันทะคือความตัณหาเนี่ยแหละเป็นเหตุอันหนึ่งความหวังและความสําเร็จหวังที่มีแก่นรชนเพื่อโลกหน้าก็มีฉันทะเป็นเหตุคําว่าเหตุในที่นี้เนี่ยนะบางอย่างก็เป็นเหตุแบบเกิดด้วยกันบางอย่างก็เป็นอุปนิสัยนะก็ที่อย่างอย่างความปรารถนาเป็นเหตุให้เกิดการ สแสวงหาก็สแสวงหาด้วยตันหาเป็นต้นอ น, นะนะอันตันหาจะเป็นอุปนิสัยเรียกว่าเพาะเชือ้อเพาะเชื้อกันไปเรื่อยๆืยๆรืย ๆ, ๆอย่างเงี้ยนะอันตันหานี่แหละเป็นเหตุเป็นอุปนิสัยให้ว่วาเออนี่นะเป็นของรักนะอันนสิ่งเนี้ยเรียกว่าเป็นที่รักสิ่งนี้ตัวเองไม่ค่อยรักอะนะวินิจฉัยเพราะฉะนั้นไอ้ของรักของรักทั้งหลายเนี่ยก็เกิดจากตันหาตันหานี่แหละทําให้มันแยกแยะว่าอันนี้เป็นของรัก ทีนี้เมื่อมีสิ่งนั้นเป็นของรักแล้วก็เกิดอะไรเกิดการทะนุทะน้อมห่วงแหนเฝ้ารักษาเกิดการทะเลาะวิวาทจริงดีชิงเด่นกันเนี่ยนะก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักสรุปว่าความทะเลาะวิวาทเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รั ก, ส, รกสิ่งอันเป็นที่รักก็เกิดจากตันหาวันโดยสรุปก็ตันหานี่แหละเป็นเหตุให้เรียกให้ได้ให้สแสวงหาให้ได้สิ่งอันเป็นที่รักเมื่อได้หรือแสวงหาสิ่งอันเป็นที่รักก็ทะเลาะกันเป็นต้นเพราะของรักเนี่ยนะ คาถาต่อไปพระพุทธเนรมิตรพรงคตรัสถามว่าฉันท่าในโลกมีอะไรเป็นนิทานและความตัดสินใจเนี่ยมีมาแต่อะไรอันหนึ่งความโกรธความเป็นผู้พูดเท็จและความสงสัยเนี่ยมีมาแต่อะไรธรรมะเหล่าใดแลอันพระสมณะตรัสไว้แล้วธรรมะเหล่านั้นมีมาแต่อะไรนนคำถามหลายคำถามด้วยกันนะนี สรุปว่าฉันถ้าในโลกมีอะไรเป็นนิทานเนี่ยนะความตัดสินใจเนี่ยมีมาแต่อะไรความโกรธเนี่ยนะความโกรธเนี่ยมีมาจากอะไรความโกรธก็คือความเป็นความมุ่งร้ายความขัดเคืองความขุนเคืองความเครืองทั่วความเครืองเสมอความชังความชังทั่วความชังเสมอความพยาบาทแห่งจิตความปัททุสร้ายในใจความโกรธกิริยาที่โกรธ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 พระพุทธเนรมิตรถามก็คือว่าฉันท่าในโลกมีอะไรเป็นนิทานและความตัดสินใจเนี่ยมีมาแต่อะไรอันหนึ่งความโกรธและความเป็นผู้พูดเท็จและความสงสัยมีมาแต่อะไรและธรรมะเหล่าใดอันพระสมณะตรัสไว้แล้วธรรมะเหล่านั้นมีมาแต่อะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวทำใดคือความดีใจและความเสียใจในโลก ชันทะย่อมมีมาเพราะอาศัยธรรมะนั้นชันทุชนทั้งหลายเห็นความมีและความไม่มีในรูปย่อมทำความตัดสินใจในโลกสำคัญมากนะบอกว่าตัณหาเนี่ยเกิดจากความดีใจและความเสียใจก็คือเกิดจากเวทนานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานะคือคำถามถ้าเราสังเกตจากปฏิจจสมุปบาทจะเห็นว่า การทะเลาะวิวาทเป็นต้นมาจากอะไรบอกมาจากสิ่งอันเป็นที่รักสิ่งอันเป็นที่รักมาจากไหนมาจากตัณหาและตัณหามาจากไหนล่ะก็มาจากเวทนาังนั้นความดีใจเนี่ยก็ได้แก่สุขเวทนาและวัตถุที่น่าปรารถนาส่วนความเสียใจก็คือทุกขเวทนาและวัตถุที่ไม่น่าปรารถนา บัณฑิตทั้งหลายกล่าวทำใดในโลกคือบัณฑิตทั้งหลายกล่าวบอกพูดแสดงแถลงทำใดเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวทำใดคือความดีใจและความเสียใจในโลกฉันทะย่อมมีมาเพราะอาศัยธรรมะนั้นคือฉันทะย่อมมีมาคือมีทั่วเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะเพราะอาศัยความดีใจและความเสียใจ ค, คือความสุขและความทุกข์ โสมนัสและโทมนัสวัตถุที่น่าปรารถนาและวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาความยินดีและความยินร้ายเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าฉันทะมีมาเพราะอาศัยธรรมนั้นอะไรความดีใจทําให้เกิดอะไรความดีใจเสียใจก็ทําให้เกิดตัณหาได้นะดีใจก็คือความสุขนะเสียใจก็คือความทุกข์ดีใจก็คือโสมนัสเสียใจก็โทมนัส ดีใจก็อาศัยวัตถุที่น่าปรารถนาเสียใจก็เพราะอาศัยวัตถุที่ไม่น่าปรารถนาความยินดีทำให้ดีใจความยินร้ายทำให้เสียใจมันไอฉันทะมันเกิดจากความดีใจเสียใจใช่ไหมดีใจตันหาก็เกิดเพราะว่าตันหานี่ดีใจก็อยากจะได้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกถ้าเสียใจล่ะนะคนที่เสียใจนี่อยากจะแช่อ ย, อยู่กับความเสียใจแบบนั้นไหม ก, ก็ไม่ใช่ เหมือนกับว่าคนอิ่มกับคนหิวเนี่ยนะคนอิ่มเนี่ยนะตัณหาก็เกิดใช่ไหมคนหิวก็มีตัณหาอีกนั่นแหละคนที่อย่างอยู่อากาศดีๆเนี่ยนะก็มีตัณหาเพลิดเพลินในอารมณ์ที่ดีใช่ไหมแล้วคนที่ร้อนมากๆเนี่ยตัณหามีไหมก็มีอยากได้เย็นคนที่หนาวเน็บเลยต้องการความอบอุ่นนะเพราะฉะนั้นจะอยู่ในสภาพใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเวทนาทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยจึงมี ตันหาอีกต่อไปก็บอกว่าความมีและความไม่มีในรูปทั้งหลายเนี่ยนะคำว่าคําว่ารูปคือมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ตรงนี้จะไม่ชี้ชัดเลยนะว่ารูปรูป28เนี่ยจะไม่บอกเพราะว่ารูปแต่ละอย่างเนี่ยนะมีมีภูตรูปไม่เท่ากันเช่นว่าอุตูชรูปทั้งหลายเนี่ยนะมีภูตารูป รูปทั้งหหายทั้งมวลในโลกนะที่เป็นรูปจะประกอบด้วยมหาพูตรูปสี่แต่อุปาทายรูปที่เกิดร่วมกับมหาพูตรูปสี่ไม่เท่ากันเช่นว่าพวกต้นไม้ใบหญ้าพวกเครื่องเสียงทั้งหลายพวกหนังสือหนังหาทั้งหมดเหล่านี้ก็คือมหาพูตรูปสี่แต่รูปที่อาศัยมหาพูตรูปสี่มีสอย่างคือสีกลิ่นรสและโอชาเท่านั้นแต่ว่าถ้ารูปที่เกิดจากจิตอ่ะก็จะมีวิการรูปเข้ามาอีกนะ ถ้ารูปที่เกิดจากกรรมก็จะมีภาษาทรูปเป็นต้นมีชีวิตรูปมีภาวะรูปเข้ามาร่วมอีกเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นหลักเป็นพื้นฐานก็คือมหาภูต ร, รูปสี่ที่เกิดจากสมุดฐานทั้งสี่แต่ว่าอุปาทายรูปรูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปเหล่านั้นเนี่ยไม่แน่นอน คำว่าความมีแห่งรูปทั้งหลายเป็นฉไนก็คือความมีคือความเกิดความเกิดพร้อมความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งรูปทั้งหลายนี้เรียกว่าความมีแห่งรูปส่วนความไม่มีแห่งรูปทั้งหลายเป็นฉไหนก็คือความสิ้นความเสื่อมความแตกความแตกรอบความไม่เที่ยงความหายไปแห่งรูปทั้งหลายเรียกว่าความไม่มีแห่งรูปทั้งหลายคำว่าเห็นความไม่มีและความมีแห่งรูปทั้งหลายก็คือ พิจารณาเทียบเคียงให้แจ่มแจ้งซึ่งความมีและความไม่มีในรูปทั้งหลายฉะนั้นจึงชื่อว่าความมีและความไม่มีแห่งรูปทั้งหลายเนี่ยนะฉั้นอาศัยความมีและความไม่มีแห่งรูปทั้งหลายใช่ไหมทำให้เกิดการตัดสินใจขึ้นนะตัดสินใจเพราะมีรูปตัดสินใจเพราะไม่มีรูปเนี่ยนะเช่นง่ายๆสมัยนี้ตัดสินใจอะไรก็เพราะเงินใช่ไหมตัดจะตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาก็ดูจาก เงินเป็นต้นะนะดูจากองค์ประกอบอื่นๆเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลสําคัญต่อการตัดสินใจมากเนี่ยนะมันรูปนีถือว่าเป็นอุปนิสัยแก่การตัดสินใจคาว่าตัดสินใจเนี่ยนะตัดสินใจสองอย่างนะตัดสินใจด้วยตันหากับตัดสินใจด้วยอำนาจของทิฐิถามว่าสัตย่อมทำความตัดสินใจด้วยอำนาจตันหาอย่างไร ที่ตัดสินใจต่วตันหานี้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้มีโภคสมบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ให้เกิดขึ้นพภคสมบัติที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความหมดสิ้นไปนะเขาก็ถึงความคิดอย่างนี้ว่าโภคสมบัติของเราที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นพวกคสมบัติที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความหมดสิ้นไปเพราะเหตุอะไรหนอง่ายๆนะ เงินเนี่ยที่ยังที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดอีกเงินที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ใช้ไปหมดทุกวันทุกวันเนี่ยมันเพราะอะไรนะเขาก็เลยมีความคิดต่อไปว่าเมื่อเราประกอบเนืองในเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในเพราะการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยพวคสมบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะจึงไม่ได้เกิดขึ้นและพวกคสมบัติที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไปนะนี่อย่างหนึ่งใช่ไหมทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดก็หมดตัวงั้น หรือเมื่อเราประกอบเนืองๆในการเที่ยวไปในถนนเวลาค่ําคืนหรือว่าไปดูมหรสศพมากหรือว่าเราประกอบเนืองๆในเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะเล่นการพนันหรือว่าเพราะการคบป่าประมิตรหรือในความเป็นคนเกียจคร้านเนี่ยนะเพราะขี้เกียจอะพวกสมบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นโภกสมบัติที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความหมดไป